ข้ความเจริญในธรรมจึงมีหละท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลรลวงปพุทธยานกำมังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาก่อนการสัตรูและหลังจากจสัตรูแล้วลักษณะที่เราเรียกว่าอนุโลมคือตามลำดับและปฏิโลมคือถอยลำดับ ก็พูดง่ายๆว่าจากต้นไปหาปลายจากปลายไปหาต้นเด้วทุกครั้งพิจารณาทั้งในสายเกิดและในสายดับแต่ในช่วงนี้กำลังปรารบองคธรรมซึ่งถือว่าสาคัญประกอบงำชีวิตจิตใจของบุคคลอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นก็คือลักษณะของธรรมะที่เรียกว่าตัณหา สนานั้นในแง่ของความเป็นอรยิยสัจก็เป็นสมุทัยสัจคือเป็นเหตุเกิดของความทุกข์เตอแสดงอาการออกมาในลักษณะต่ า, างๆเดี๋ยวเมื่อมาเจอแล้วก็อยากจะให้ความพิสดาน์โดยตามในญาตที่ทรงสแสดงไว้ในคำพีพระเตดบิดกนั่นเองแต่ว่าผู้ฟังเขามีความยิ่นยอนแตกต่างกัน วันเวลาสงแสดงก็จะสงแสดงไม่เหมือนกันบางครั้งก็ส่งแสดงโดยย่อบางครั้งก็ส่งแสดงโดยพิ ส, ส ด, ดษษษารวันก่อนก็พูดถึงการกำหนดอารมณ์คือตั้งแต่อายตนะตัดสะแล้วก็เวทนาแล้วมาเกิดตัณหาในกระบวนการเหล่านี้ ถ้าเราสังเกตดูสภาพจิตมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตันหาสูตรอังคุตรณนิกายก็เรียงไว้เป็นเก้าระดับก็หนึ่งก็การแสวงหาเพราะอาศัยตันหาแล้วการได้มาเพราะอาศัยการแสวงหาแล้วมีการวินิจฉัยเพราะอาศัยการได้คือได้แล้วก็จะวินิจฉัย ทีนี้พอวินิฉัยนี่ก็จะเกิดกําหนดกนําหนดด้วยอํานาจความพอใจในสิ่งเหล่านั้นพอเกิดกําหนดด้วยอานาจความพอใจในสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็จะหมกมุมม่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอเกิดอาการหมกมุมม่นก็จะหวงแหนพอหวงแหนก pues ็จะมีความสนีทไม่ต้องการที่จะแจกแบ่งให้แกใครๆพอมาเกิดอาการสนีทก็จะมีการารักษาป้องกัน กราวว่าสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นจะเป็นภยัยเป็นอันตรายจะต้องพลัดพรากสูญเสียไปและไปจากนั้นคืออกุศลบาปะธรรมต่างๆก็จะือถ้าเรามองพวกอกุศลกรรมบุญพูดถึงการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นเห็นเห็นว่าเป็นการฆ่าด้วยอํานาจของตันหาคืออยากได้ รักเองก็รักเรว่องหน้ากา ร, รมตัณหาประพฤติผิดในกา ร, รมจรึงกา ร, รมตัณหาชัดเจนโคกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกา ร, รมตัณหากับภาวะตัณหายุยงให้เกิดความแตกแยกอาจจะมีวิภวะตัณหาในตัวคนหรือว่าในตัวสามัคคีธรรมที่คนเราไมีอยู่การกล่าวคําหยาบนั้นก็เป็นอาการของตัณหา ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิปวัติตันหาการกล่าวเพื่อเจอเิดเหลวไหลก็จะเป็นอาการของการมาตันหาการโลภ ก, ก็เป็นอาการตามตันหาพยาบาทก็เป็นอาการของวิปวัติตันหาก็าสรุปว่าเป็นกระแสของตันหาในพระบาลีนั้นทรงยกตัวอย่างเช่นการจับท่อนไม้การจับสัตรูวุธการทะเลาะการแข่งแย่งการริวาทการสอสเสียการพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยนะเออจะเกิดขึ้น จะสรุปว่าปัญหาจั ก, กรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเรื่องของตัณหาทั้งนั้นเถ้อย่างที่บอกไปแล้วว่าในแง่ของศีลธรรมจรญาครูเจ้าไม่ได้สอนให้ถึกกระดับตัณหาเพราะความดับอัญญาแต่สอนให้บรรเทาตัณหาคืออยากให้เกิดความรุนแรงจนถึงกับพูดทำรรและคิดไปในทางทุจริต โดยการปักใสยศึกษาของตัณหาและท่านยังได้แสดงลักษณะที่กำหนดได้ว่าเป็นตัณหาเนี่ยเอาไว้โดยนิย่าต่างๆตามปกติเราจะพบที่ทรงสแสดงในธรรมจักวรวตรนสูตรนี่ส่วนใหญ่ก็จะพูดไว้แค่สามข้อเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อทรงจำแนกไว้โดยวิจิตพิสดารเราจะพบว่า ดีการแสดงไว้ถึงสิบสองลักษณะดกันลักษณะหนึ่งเรียกว่าโพโนโปวิกาคือมีลักษณะก่อให้เกิดความมีความเป็นตลอดถึงรบชาติต่างๆที่ประณีตในวกาสต่อไปต้องการเกิดในการมาพบรู ป, ปรพบ ร, ระบรูปพเป็นต้นด้านนิรากาสากตาก็มีลักษณะที่ จิตใจพวพันหมกมุ่นอยู่ด้วยความกำหนัดและก็ความเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ใจเรากําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจแล้วจะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่าตตสตระปิ น, นันติเนเพลิดเพลิน อ, อยู่ยึดติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสกร็ตาม มันจึงมีลักษณะที่เรียกเรียกอย่างหนึ่งบภาวะเนติคือเป็นตัญหาที่นำไปสู่ภพก็แสดงว่าถ้าไม่มีตัญหาการมาเกิดในภพก็ไม่มีแล้วก็จากจุดนี้ท่านสายชนจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประหาร น, นั้นท่านดับตัญหาได้ตอะสิ่งที่เรียกว่าเมืองแก้วก็ดีอายตนานิพานก็ดีแดนนิพานก็ดีเมืองนิพานก็ดี จึงไม่มีสมัครลาหาันมีเฉพาะภูมิจิตที่เรียกว่าโลกุตระภูมิแต่ไม่มีภพซึ่งจิตจะไปอุบัติเพราะว่าทัานดับตัญหาซึ่งเป็นโดนนำไปสู่ภพได้ภพสมัครท่านก็ไม่มีแต่ยังหนึ่งมีลักษณะเป็นยางเหนียวที่เรียกว่าตัญหาสินีโห คือรอเลี้ยงแล้วก็ให้พืชเนี่ยสืบต่อไปได้เรื่อยๆค่คายกับเม็ดพืชหรือว่ากิงพืชหรือหน่อพืชหรืออะไรก็ตามมันเนื้อเยื่อของพืชก็ถ้าก็มียางเดียวอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้ไปเรื่อยๆอีกอย่าหนึ่งก็เรียกว่าโสตะลักษณะมีลักษณะไหลไปตามกระแสทั้งสามที่ปก คืออายตนาภายนภายในภายนอกอทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็สรุป้าไหลไปในการทั้งสามก็อายตนาภายใน6หกภายนอกหกสิบสองหนึ่งไปสิบสองสิบสองยิบสี่สิบสองสามสามสิบหก ก็ไม่หลายยกไปยกมาอยู่ใน ร, ระหว่างของอจตนาภายในภายนอกในดิตการบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างแต่วาการทําความเข้าใจเรียนรู้เนี่ยเราก็ควรสังเกตที่จิตเราเองบพรที่ท่านแสดงไว้ในฐานนั้นคือข้อความเหล่านี้บางอย่างเนี่ยไม่ได้ปรากฏในพระบาลีเราปรากฏในระดับอันตรกถา บางทีก็ระดับคำพีรุ่นหลังมาแต่ว่าเมื่อเรานำไปเทียบเคียงกับหลักการนั้งเดิมแล้วก็ตรงกันเพียงแต่ว่าไปท่านไปแยกออกมาไปจัดขึ้นมาเป็นหมวดหมู่เท่านั้นแล้วก็มานาปัตสวราแปลว่ามีลักษณะไหลไปตามอารมณ์อย่างใจเอบอาบเอบอิ่มคือไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสปทถาภัณ์ธรรมารมกันอะ เดียวเรียกว่ารูปปัตนาสถัตตนากันทัตตนารัศตตนาปุตตพัตตนาธรรมตตหานะมันก็ไหลเปน็ปนวรมแล้วนี่ก็ไหลเรื่อยไปนะคือเราสังเกตว่าคล้ายๆกับเราชอบรูปอย่างไดอย่างหนึ่งแล้วอาจจะเปลี่ยนสีของรูปต่อนั้นเปลี่ยนขนาดของรูปต่อนั้นแล้วก็เปลี่ยนตรงกันข้ามกับรูปต่อนั้นเอาคล้ายคลึงกับรูปเหล่านั้นก็ไปกันไหลไปเรื่อยๆก็แสดงว่ามันจะ เอิบอาบซึมซาบไปเรื่อยๆทีนี้พอมันกระทบใจเนี่ยจะมีลักษณะกรากแข็งแผดร้อนแล้วก็บีบรัดบางทีก็สลัดไม่ออกมันเป็นเหมือนกับเครื่องผูกเรียกพันธนาการคือผูกมัดะระึงจิตใจของคนเอาไว้ก็สลัดให้หลุดได้ยากดังนั้นแสดงอาการของการมตัิหาเอาไว้จะเรียกว่า ความรักเหมือนโลคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคน้าใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกปีขังไว้ก็จะออกจากข้อไปประยอมอยุดนาทีขันมาเป็นการแสดงถึงสภาพจิตที่ถูกบีบรัดด้วยแรงของตัณหาจะทำให้บุคคลสูญเสียการทรงตัวการทำงานก็ตัณหาบางช่วงบางขณะท่านเรียกว่าผลใสเสือกใส หรือขับใสอะไรก็ตามที่ถูกปลักใสเสือกใส่นี่ขับใสนี่มันขาดความเป็นตัวของตัวเองจะถูกสิ่งอื่นบีบบังคับกดขี่คุกคามให้ประพฤติการกระทำไปตามการผักใสของคนอื่นละข้อต่อไปท่านเรียกว่าตสีนานลักขนา มีลักษณะหวาดสะดุง้งลืมตัวลืมตายทาให้เกิดความสะดุ้งแก่ผู้อื่นคือทุกช่วงแหละช่วงในการสแสวงหาช่วงในการครอบครองช่วงในการป้องกั น, บ า, กนบางครังมะข่าวก็รุนแรงเช่นสมมุติว่าช่วงของการสแสวงหาเมื่อเราต้องการได้ไม่ยอมให้คนอื่นได้มันจะเกิด จิตใจสะดุ้งกลัวคนอื่นจะแย่งแล้วในที่สุดก็จะเกิดข่มขู่คุกคามเมื่อ ค, คนอื่นจะแย่งเราดูตัวอย่างแม่สัตว์เดรัจฉานที่เก็แย่งอาหารกันก็ตัวอย่างก็เห็นได้ชัดว่ามันก็สะดุ้งด้วยกันที่ขู่นั้นที่จริงเป็นการขู่ด้วยความกลัวกลัวเขาจะมายื่แย่งอาหารเขาตนไปอยู่ภายหนึ่งก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้อาหารเดียวกัน ลักษณะกาตานหาก็บีบคั้นใจิตใจของสัตว์เหล่านั้นแต่ บ, บางครั้งบางคราวก็ไปเสี่ยงต่อสู้กันมันจะมีโมหะเพิ่มขึ้นจานิทานสุภาษิต ท, ที่ท่านเล่าถึงสุนัขตัวหนึ่งขโมยเนื้อในะจากรก้านตลาดแล้วขาบเนื้อวิ่งหนีไปเพื่อจะนำไปกินก็ผ่านสภานไม้ต้นเดียวนะ ก็มองลงไปข้างล่างก็เห็นเนื้อมันใหญ่กว่าตัวก็เห็นสุนัขอีกตัวหนึ่งคาบเนื้ออยู่แล้วก็เนื้อก็ใหญ่กว่าของตัวก็เกิดโรคจากได้แต่ว่าตัวเองก็คาบเนื้ออยู่ก็เพื่อต้องการแย่งเนื้อจากสุนัขอีกตัวหนึ่งคือเงาของตัวเองเลยคายเนื้อทิ้งแล้วก็วิ่งลงไปก็เงามันก็หายไป แล้วก็แสดงให้เห็นถึงอาการของโลภะและอาการของโงกหันมันจะทำลายเหตุผลสติปัญญาจิตสมกที่ดีงามของบุคคลลักษณะอย่างหนึ่งเ็าเรียกว่าเหมือนกับป่าร ก, กุมรังที่เป็นเหตุให้พระพุทธโกศอาจารย์เรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือชื่อพิสุท ธ, ธิมตรติที่จึงเป็นคำถามกองเทวดา ตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสภาพจิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่ว่าอันโตชาตาบะิชาตาชาตายาักชาติตาประชาต่างๆโกตธตั ง, ตงมังวิชาเยชตังระสัตว์โลกที่มันรกชัดอยู่ทั้งภายในรกชัดอยู่ทั้งภายนอกนใครจะสามารถสางร ก, กชัดต่อนั้นไปได้แต่พุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงหลักการปฏิบัติ ก็จะเป็นใครก็ตามแต่ว่าทรงเน็นปฏิภิกษุสีเดปฏิทิถายะนโรสปัญโยบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของไตริกานี่ถึงจุดหนึ่งก็จะสางรกชัดคือตัณหาลงไปได้ข้อนี้เราสังเกตว่าไอ้สิ่งที่รกชัดเนี่ยมันมืด ป่ารกชัดป่าทึบนี่มันมืดเพราะการสางยิ่งสางก็ยิ่งสว่างขึ้นไอสิ่งที่ปิดบงังดวงตาเราก็จะถูกขจัดออกไปได้เลยและถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญหาในอารมณ์ทั้งหลายเป็นอันมากก็จะถูกตัดออกไปเองมันเหมือนกับ ชีวิตของสาธาชนทั้งหลายถ้าเรามองย้อนกลับไปสู่อดีตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอารมณ์เป็นกันมากที่เราเคยเกิดตัณหาแล้วเวลาเนี้ยไม่มีตัณหาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสติสมัมปชัญญะมากพอมีวุฒิภาวะสูงพอที่จะวินิจฉัยตัดสินว่าอะไรควรจะอยากหรือไม่ควรจะอยากและเมื่ อ, อยากเนี่ยควรจะอยากมากน้อยแค่ไหนเพียงไร และถ้าเรามองถึงความประณีตในด้านจิตใจนะที่ด้านวางเป็นรูปของโลกธรรมฝ่ายที่น่าปรารถนาสี่ประการลาบยศส่วนสุขให้เราสังเกตว่าคนที่ปรารถนาผลประโยชน์คือปรารถนาลาบนั้นแสดงว่าตัณหาก็จัดน ะ, ะโมหะก็จัดแต่พอถึงระดับหนึ่งคนต้องการยศในความเป็นยศเองมันก็มีสามประเภท ต้องการอิส ย, ยดนั้นมักจะไม่คำหนึงถึงพิธีการหลายการได้แต่ขอให้ได้บริวารนยศก็มีลักษณะเช่นเดึกกันแต่คนบางคนมีจิตใจก็ประณีตเกินไปกว่านั้นก็ต้องการระดับเกียรติยศซึ่งเกิดขึ้นจากความดีล้วนๆแล้วเขาได้อิสยยศเขาได้บริวารนยศ์ก็จะได้ด้วยการยอมรับน้งถือสตากของบุคคลอื่น หมายความมาได้จิตใจของบุคคลอื่นมาเป็นพวกเป็นพ้องตัวเองด้วยก็สแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของตันหาที่มันก็อยากได้เดียกันแต่ว่าสิ่งที่อยากนั้นมันมีความประหนีดแล้วก็บากน้อยลงเช่นว่าคนบางคนอยากได้การยกย่งสรรเสริญจากคนทังหลาย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนปรารถนาลามกนั้นอาจจะจ้างคนขึ้นมาอาจจะจ้างคนขึ้นมาเป็นแนวร่วมกล่าวประชาสัมพันธ์จ้างมาโปรโมตทางวิทยุตางโทรทัศน์ต่างหนังสือพิมพ์ก็ได้ก็มีได้แต่แสดงไว้ใจเก็บไม่สงบหรอกแต่ถ้าคนที่ได้การยกย่องสนรเสริญเพราะเขาเห็นความดีแล้วก็ยกย่องสรรเสริญ แต่เราก็ไม่ต้อ ง, ลงหลงไหลได้ปลื้มกับคําสรรเสริญเหล่านั้นแต่ว่าเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เรามากยิ่งขึ้นนะครับว่าการปฏริการกระทำในลักษณะนี้เป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวินยูชนแล้วก็เหตุตุกัณนาเป็นลักษณะก่อให้เกิดทุก ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานะฮะตั้งแต่ชาติทุกพยาธิทุกมรณะทุกเนี่ยถือว่าเป็นทุกให่ใหญ่สามทุกเพราะไรเพราะว่าปัญหามันเป็นยางเหนียวที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคลมันเหมือนเมล็ดพืชที่มียางเหนียวได้อุณหภูมิที่เหมาะสมวันไหนแกก็แตกหน่อออกมาวันนั้นแล้วก็ให้เกิดเป็นต้นพืช แต่กินก้านสาขาออกไปมากมายกต่กองแต่ว่าที่จริงมันก็หมายถึงอย่างเดีย ว, วเพราะราจรึงพบผูกระด âm หลับในที่บางแห่งรับสั่งว่าชนะตัณหาเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดเกิดก็เป็นชาติทุกข์เกิดแล้วก็แก่แก่ก็เป็นพยายชราทุกขพอเจ็บเจ็บก็เป็นพยายที่ทุกตายก็เป็นมรณะทุก เรวแสดงว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจิตใจคนที่ไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายยึดมั่นวราเป็นพวกเราก็ทุกข์นะยึดมั่นเราเป็นพวกเขาก็ทุกข์ยึดมั่นเราเป็นศัตรูเราก็ทุกข์ยึดมั่นเราเป็นมิตรเราก็ทุกข์เพียงแต่ว่าทุกข์จะมากหรือจะน้อยแต่นั้นเดงโดยจะเพราะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคคลที่เรายึดมั่นเราเป็นศัตรู เ ส, ส, ส้นตะตูเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็เป็นถุกมิตรของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเราก็เป็นทุกเส้นตะตูเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเรารู้สึกว่าสาใจมิตรของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าทุกข์ใจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราก็รู้สึกว่าเป็นสุขคือดีใจแต่ในทุขณะเดียวกันลึกๆมันก็มีความวิตกกังวล กลัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารตั้งหลายที่มันไม่เที่ยงเดืงในแง่ที่เป็นเนื้อหาสาระคือตรบใดที่มีตัะหามตบนั้นไม่สามารถดุดพนจากสังสาระาตุได้ดันจึงบอกว่าสังโยคลักษณะมีลักษณะประกอบสราสรประสว์ไว้ในพบน้อยพบใหญ่ นำสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจุดจบสิ้นเพราะงั้นเวลาพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในบางในในระดับของปฏิจจส ม, มุปบาทคือจะไม่พูดว่านายกตายไปแล้วไปเกิดเป็นนายขอเป็นนายคอเป็นนายงออะไรจะไม่พูดอย่างนั้นแต่จะพูดเป็นรูปของกระบวนการแห่งเหปจัจจัยเช่นสมมติว่าเขาถามว่านายกตายแล้วไปไหนต้องถามว่านายกนั้นยังมีกิเลสไหม ถ้ายากมีกิเลสก็แสดงมาไหน ก, นก็มีกรรมเมื่อมีกิเลสมีกรรมมีกรรมก็ต้องมีวิบากของรรมจะทำให้เกิดที่ไหนก็ไปเกิดตามกรรมแต่ถ้าต้องการรายละเอียดเราก็มีวญาณอย่างรู้เดีพูดเป็นภาพรวมรวมในได้อย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าถ้าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติจิตผ่องแพ่ก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุ ก, กติ โดยสุกติสูงต่ำขนาดไหนเราก็ไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นฮีเดียงแต่ว่าถ้าเราเชื่อไว้เราจับหลักตรงนี้ไปได้จิตใจก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสกิเลสกระแสของรมน้อยลงเราอาจจะใช้คําไทยๆที่นิยมพูดกันในปัจจุบันไม่เชื่ออย่ดูห ม, มิน่นหรือว่าเผื่อเหนียวไว้ก่อนหมายความมาทำความดีเป็นหลักเอาไว้นรกสวรรค์มีไม่มีก็ช่าง แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในประสะปันยุตธญาณเนี่ยมันไม่ควรจะเสียเวลาไปลังเลสงสัยในเรื่อ ง, งนั้นคือต้องจับประเด็นให้ได้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางจะพิสูจน์อะไรได้ปัญญาเองทั้งหมดหรอกเอาเรื่องใกล้ๆนี้พาคนเนี่ยเป็นพ่อแม่เราจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็พิสูจน์ไม่ได้ แล้วก็ใช้ความเชื่อตลอดไม่ว่าจะพิสูจน์ยังไงก็ตามเสร็จแล้วไปใช้ความเชื่อไปถามหมอไปถามพยาบาลไปถามปู่ญาตายายถามเพื่อนบ้านใกล้กันงพิ้งถามบุรุษพยาบาลถามอะไรเนี่ยถามไปเถอะเสร็จแล้วคนนั้นบอกเราก็เชื่อตามนั้นซึ่งก็หมายความมาถ้าคนนั้นก็เกิดนัดหมายกันไว้เพื่อจะหลอกเราเราเป็นเด็กที่พ่อแม่คลอดทิ้งเอาไว้ในโรงพยาบาล แล้วก็พ่อแม่เราก็ไปรับมาแล้วก็ตกลงนัดหมายกันหมดเลยนะว่าไม่ให้ใครเปิดเผยความจริงตรงนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันหมดเพราะเราถามใครเนี่ยตอนก็ไม่ได้ความจริงเรื่องที่บอกแท้ทั้งนั้นนะแต่เราก็ต้องเชื่อเห็นไหมว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้ปัญญาได้ทุกเรื่องหรอกส่วนใหญ่เราต้องใช้ความเชื่อ คนที่ใช้ปัญญาได้สมบูรณ์เนี่ยใช้ปัญญาแท้ๆได้เนี่ยพวกเป็นพระอาหารหันพวกได้บรรลุสัพพัญญตญาณอะไรนั่นเองคือใช้ความรู้เป็นหลักได้แต่สาม า, สามชิกมนุษย์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องใช้ศรัทธาเกิดความเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่อพ่อแม่ท่านบอกอย่างนั้นปุยญาติยายท่านบอกอย่างนั้นแพทย์บอกอย่างนั้นพยาบาลบอกอย่างนั้นเราก็เชื่อ พตอนแม่เกิดเราเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอวันไอ้เรื่องอะไรก็ตามที่คือแปลกไอ้ ค, อคนเนี่ยชอบถามเรื่องไกลกับเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตให้ชอบถามไอ้เรื่องแปลกซึ่งเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ตอบด้วยปัญญาเราไม่ได้อะเราก็ตอบตามความเชื่อว่นนนานโกสวรรค์มีไหมเราบอกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีเน่ยเราก็ไม่รู้ เราอาจจะเคยตกนรกแต่เราลรึกชาติไม่ได้เราอาจจะเคยขึ้นสวรรค์แต่เราลรึกชาติไม่ได้แต่เรา ล, ลึกได้ว่าข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าสรงแสดงไว้เราก็ไปพูดเปิดเผยชี้แจงไปตามนั้นเพราะนั้นปัญหาสาคัญว่าตัณหาเนี่ยทรงสอนให้มองเห็นโทษจะแสดงลักษณะยังไงก็ตามที่ท่านชี้แจงไวถึงสิบสองลักษณะเพื่อเห็นชัดเจนว่ามันโทษมันเยอะเหลือเกินะ่ะ ไม่ได้ทิ้งช่วงสั้นๆแต่มลาลักษณะหมุนบนเป็นวงจรเป็นวัตตจากที่ไม่รู้จักจบสิน้นคนตกตกเป็นทาตกปรญาก็ยอ่อมเดือดร้อนแน่นอนแล้วก็พยายามลดละมันไปทั้งฟังทั้งหลายแต่รลวงปวัตยานในวันนี้ขอยุติไว้ใด้วเวลาเพียงเท่ทานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงาะงามไปบูุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี